รัตอบถึงการรักษาสัต จ, จักกาปฏิการมานพทุนถามว่าท่านพระโคโดมด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไหร่ การรักษาสัจจะจึงมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติประมาณเท่าไหร่ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงการรักษาสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระรัตวาชะถ้าบุรุษมีศรัทธากล่าวว่าเรามีศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่ามีความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่า นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง gegangen. ด้วยข้อปฏิบัต Otto, ิเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย oh ่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนถ้าบุรุษมีความชอบใจละถึงถ้าบุรุษมีการฟังตามกันมา ถ้าบุรุษมีความตรึกตามอาการถ้าบุรุษมีความพินิษที่เข้ากันได้กับทฤษฎีของตนการกล่าวอย่างนี้ว่าเรามีความพินิษที่เข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่างนี้ชื่อว่ารักษาสัจจะแต่ยังไม่ชื่อว่าถึงความตกลงใจโดยเด็ดขาดว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงพารัฐวาชะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรักษาสัจจะย่อมมีได้ บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราย่อมบัญญัติการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรู้สัจจะก่อนตรัสตอบถึงการรู้สัจจะ กาปฏิกะมานบทูลถามว่าท่านพระโคดมการรักษาสัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรักษาสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะย่อมมีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บุคคลย่อมรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงการรู้สัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภระรัตวาชะภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ข้าอบดีก็ดีบุตรของข้าอบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วใครครวนในธรรมสามประการคือ 1. ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะความโลภ 2. ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะการประทุสร้ายสามในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะความหลงว่าท่านผู้นี้มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะหรือไม่นอเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นก็จะพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นได้หรือหนอเมื่อเขาพิจารณาถึงพิสุจน์นั้นอยู่จึงรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะเพราะว่าผู้มีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะครอบงำแล้วเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็น หรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เครือคูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นท่านผู้นี้พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่โลกท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่คนโลภจะแสดงได้ง่ายเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโลภะแล้วเมื่อนั้นเขาพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะว่าท่านผู้นี้มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะมีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะครอบงำ เมื่อไม่รู้ก็จะกล่าวว่าเข้าพเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะกล่าวว่าเข้าพระเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นก็จะพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นเขาเมื่อพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะ เพราะว่าผู้มีจิตถูกทํำที่เป็นเหตุให้เกิดโทสะครอบงําแล้วเมื่อไม่รู้ก็จะพึงกล่าวว่าเข้าพระเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะพึงกล่าวว่าเข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีคลายสมาจารวาจีสมาจารเหมือนผู้ไม่ประทุษร้าย ท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ป, ปราณีตคาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่คนประทุสร้ายจะแสดงได้ง่ายเมื่อใดเขาพิจารณาภิกษุนั้นอยู่ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเห็นให้เกิดโทสะเมื่อนั้นเขาย่อมพิจารณาภิกษุนั้นให้ยิ่งขึ้นไป ในธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะมีจิตถูกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะครอบงำเมื่อไม่รูกววรร้ก็จะกล่าวว่าเข้าไปเจ้ารู้เมื่อไม่เห็นก็จะกล่าวว่าเข้าพเจ้าเห็นหรือสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกือกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานแก่ผู้อื่นพึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้น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 พึงชักชวนผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้นอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวจีสมาจารเหมือนผู้ไม่หลงท่านผู้นี้แสดงธรรมอันลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบพระณี่งาดคะเนเองไม่ได้เป็นธรรมละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตไม่ใช่ธรรมที่คนหลงจะแสดงได้ง่ายเมื่อใดเขาพิจารณาภิกูุนั้นอยู่ ย่อมเห็นชัดว่าเธอบริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดโมหะเมื่อนั้นเขาสร้างศรัทธาในภิกษุนั้นอย่างมั่นคงจึงเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียโสดลงเขาเงียโสดลงแล้วฟังธรรมอยู่ย่อมทรงจำธรรมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจาไว้แล้วเมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ ทำทั้งหลายย่อมควรแก่การเพ่งพินิษ์เมื่อทาควรแก่การเพ่งพินิษ์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดเกิดฉันทะแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุสาหะแล้วย่อมพิจารณาครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียรเธอตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมาทสัจจะให้แจ้งด้วยกายและเห็นชัดปรมาทสัจจะ น, นั้นด้วยปัญญาพระรัตวาช ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การรู้สัจจะจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลบุคคลย่อมรู้สัจจะได้และเราย่อมบัญญัติการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะที่เดียว ตอบถึงการบรรลุสัจจะการปฏิกะมานพทุนถามว่าท่านพระโคดมการรู้สัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่ารู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ ข้าพเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภารัตวาชะการปฏิบัติเจริญทําให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้การบรรลุสัจจะย่อมมีได้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ และเราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ตระตอบถึงธรรมมีอุปการะมากกาปฏิกะกมานพทุนถามว่าท่านพระโคดม การบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และเราทั้งหลายย่อมหวังการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้หรือธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะเป็นอย่างไรเขาพระเจ้าขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพารัวาชะ ความเพียรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะถ้าบุคคลไม่ตั้งความเพียร น, นั้นไว้ก็จะไม่พึงบรรลุสัจจานี้ได้แต่เพราะเขาตั้งความเพียรไว้จึงบรรลุสัจจะได้ฉะนั้นความเพียรจึงมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคโดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความเพียรพระพุทธเจ้าค่าปัญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแก่ความเพียรถ้าบุคคลไม่พิจารณาปัญญาเครื่องพิจารนานั้นก็จะพึงตั้งความเพียรนี้ไว้ไม่ได้แต่เพราะเขาพิจารณาจึงตั้งความเพียรไว้ได้ฉะนั้นปัญญาเครื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแก่ความเพียร ธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูล ถ, ถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าค่าความอุสาหะมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาถ้าบุคคลไม่อุสาหะก็จะพึงพิจารณาไม่ได้แต่เพราะเขาอุสาหะจึงพิจารณาได้ฉะนั้นความอุสาหะ จึงมีอุปการะมากแก่ปัญญาเครื่องพิจารณาทํามีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะพระพุทธเจ้าค่าฉันทะมีอุปการะมากแก่ความอุตสาหะถ้าฉันทะไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงอุตสาหะแต่เพราะฉันทะเกิดเขาจึงอุตสาหะฉะนั้น ฉันทะจึงมีอุปการะมากแก่ความอุสาหะธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะพระพุทธเจ้าข่าความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าธรรมทั้งหลายไม่ควรแก่การเพ่งพินิษฉันทะก็ไม่เกิด แต่พระธรรมทั้งหลายควรแก่การเพ่งพินิษฐ์ชันทะจึงเกิดฉะนั้นความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมจึงมีอุปการะมากแก่ชันทะธรรมมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษ์แห่งธรรมพระพุทธเจ้าข่าปัญญาเครื่องตรายตรองเนื้อความ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรมถ้าบุคคลไม่ไตรตรองเนื้อความธรรมทั้งหลายก็จะไม่พึงควรแก่การเพ่งพินิษแต่เพราะเขาไตรตรองเนื้อความธรรมทั้งหลายจึงควรแก่การเพ่งพินิษฉะนั้นปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความจึงมีอุปการะมากแก่ความควรแก่การเพ่งพินิษแห่งธรรม ธรรมมีอุปการะมากแกปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความพระพุทธเจ้าขา้าการทรงจำธรรม ม, มีอุปการะมากแกปัญญาเครื่องไตรตรองเนื้อความ ถ, าถ้าบุคคลไม่ทรงจำธรรมนั้นก็จะพึงไตรตรองเนื้อความนี้ไม่ได้ แต่เพราะเขาทรงจำทำไว้ได้จึงไตรตรองเนื้อความได้ฉะนั้นการทรงจำทำจึงมีอุปการะมากแกปัญญาเป็นเครื่องไตรตรองเนื้อความรมีอุปการะแก่การทรงจำทำเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงทรมีอุปการะมากแกการทรงจำทำพระพุทธเจ้าข้าการฟังธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจำทำ ถ้าบุคคลไม่ฟังธรรมนั้นก็จะพึงทรงจำธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาฟังธรรมจึงทรงจำธรรมไว้ได้ฉะนั้นการฟังธรรมจึงมีอุปการะมากแก่การทรงจำธรรมธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคโดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมพระพุทธเจ้าข่า การเงี่ยโสดลงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมถ้าบุคคลไม่เงี่ยโสดลงก็จะพึงฟังธรรมนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาเงี่ยโสดลงจึงฟังธรรมได้ฉะนั้นการเงี่ยโสดลงจึงมีอุปการะมากแก่การฟังธรรมธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสดลงเป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสดลงพระพุทธเจ้าข่า การเข้าไปนั ų, ่งใกล้มีอุปการะมากแก่การเงียโซดลงถ้าบุคคลไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็จะพึงเงียโซดลงไม่ได้เพราะเขาเข้าไปนั่งใกล้จึงเงียโซดลงได้ฉะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงมีอุปการะมากแก่การเงียโซดลงทรามีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดม ถึงทำมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าค่ะการเข้าไปหามีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ถ้าบุคคลไม่เข้าไปหาก็จะพึงนั่งใกล้ไม่ได้เพราะเขาเข้าไปหาจึงนั่งใกล้ได้ iv. ฉะนั้นการเข้าไปหาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ท่านพระโคดมทำมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาเป็นอย่างไร พระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาพารัตวาชะศรัท ธ, ธามีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศรัท ธ, ธาไม่เกิดบุคคลก็จะไม่พึงเข้าไปหาแต่เพราะศรัท ธ, ธาเกิดเขาจึงเข้าไปหาฉะนั้นศรัท ธ, ธาจึงมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหากาปฏิกะมานกกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการรักษาสัจจะท่านพระโคดมได้ตรัสตอบการรักษาสัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนักและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการรู้สัจจะท่านพระโคดมได้ตรัสตอบการรู้สัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนัก และข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะท่านพระโคดมก็ได้ตรัสตอบการบรรลุสัจจะแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนักและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถามท่านพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะ ท่านพระโคดมก็ได้ตรัสตอบธรรมีอุปการะมากแก่การบรรลุสัจจะแล้ว Pascal. และข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนักและข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ได้ทูลถา ม, ท, มถาท่านพระโคดมถึงปัญหาข้อใดๆท่านพระโคดมก็ได้ตรัสตอบปัญหาข้อนั้นๆแล้วและข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าพระองค์ชอบใจและถูกใจนัก และข้าพระองค์ก็ชื่นชมด้วยข้อที่ตรัสตอบนั้นข้าแต่ท่านพระโคโดมเมื่อก่อนข้าพระองค์รู้อย่างนี้ว่าพวกสมณะโลนเหล่านี้เป็นสามัญชนเกิดจากพระบาทของพระพรหมเป็นการหะชาติวันณสูตรเป็นใครกันและจะรู้ทั่วถึงธรรมได้อย่างไรท่านพระโคโดมได้ทรงทาให้ข้าพระองค์เกิดความรักสมณะในหมู่สมณะ ให้เกิดความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณะและให้เกิดความเคารพสมณะในหมู่สมณะแล้วหนอข้าแต่ท่านพระโคโดมพระพาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจาข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหลจังกีสูตรที่ห้า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 การบำเรอสี่ประเภทเอสุการีพราหม์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพราหม์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทคือหนึ่งบัญญัติการบำเรอพราหมณ์ 2. บัญญัติการบำเรอกษัตริย์ 3. บัญญัติการบำเรอแพทย์ 4. บัญญัติการบำเรอสูตรในการบำเรอทั้งสี่ประเภทนั้น พรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอพราหม์ไว้ว่าพราหมณ์ควรบำเรอพราหม์กษัตริย์ควรบำเรอพระสั์แพทย์ควรบำเรอพระสั์หรือสูตรควรบำเรอพระสั์พราหม์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอพราหม์ไว้เช่นนี้แลพราม์ทั้งหลายบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้ว่ากษัตริย์ควรบำเรอกษัตริย์แพทย์ควรบำเรอกษัตริย์หรือสูตรควรบำเรอกษัตริย์ พรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้เช่นนี้แลพรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้ว่าแพทย์ควรบำเรอแพทย์หรือสูตรควรบำเรอแพทย์พรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้เช่นนี้แลพรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอสูตรไว้ว่าสูตรเท่านั้นควรบำเรอสูตรผู้อื่นใครเล่าจกบำเรอสูตร พรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอสูตรไว้เช่นนี้แลท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สีประเภทนี้ท่านพระโคโดมตรัสการบำเรอนี้ไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามชาวโลกทั้งปวงเห็นด้วยกับคำของพรามที่ว่าพรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทเท่านี้หรือเอสุการีพรามทูลตอบว่า ไม่ใช่ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุรุษผู้ขัดสนไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนยากจนชนทั้งหลายแขวนก้อนเนื้อที่อาบยาพิษไว้สำหรับเขาซึ่งไม่ชอบพอกันโดยแกล้งพูดว่าพ่อคุณเชิญท่านกินเนื้อนี้แต่ต้องจ่ายค่าเนื้อเพิ่มขึ้นแม้ฉันใด พรามทั้งหลายบัญญัติการบำเรอไว้สี่ประเภทแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นฝ่ายเดียวโดยไม่มีฝ่ายอื่นยินยอมชั้นนั้นเหมือนกันเราไม่กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงควรบำเรอแต่ก็ไม่กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรบำเรอเพราะว่าเมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยเราจึงไม่กล่าวว่าสิ่งนั้นควรบำเรอ แต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดเพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีเท่านั้นไม่มีความชั่วเลยเราจึงกล่าวว่าสิ่งนั้นควรบำเรอถ้าแม้ชนทั้งหลายจะพึงถามกษัตริย์อย่างนี้ว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยหรือว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่ เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยในกรณีเช่นนี้ท่านควรบำเรอสิ่งไหนประศัตรเมื่อจะตรัสตอบให้ถูกต้องควรตรัสตอบอย่างนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยข้าพเจ้าไม่ควรบำเรอสิ่งนั้นแต่เมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่ เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลยข้าพเจ้าควรบำเรอสิ่งนั้นถ้าแม้ชนทั้งหลายพึงถามพรามละถึงถ้าแม้ชนทั้งหลายพึงถามแพทย์ละถึงถ้าแม้ชนทั้งหลายพึงถามสูตรอย่างนี้ว่า <ciğim? S 2> เมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเลยหรือว่า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 เพราะเหตุแห่งการบำเรอสิ่งนั้นพึงมมีแต่ความดีเท่านั้นไม่มีความชั่วเลยข้าพเจ้าควรบำเรอสิ่งนั้นเราจะกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้ประเสริฐเพราะเกิดในตระกูลสูงก็หาไม่จะกล่าวว่าเขาเป็นผู้เลวทรามเพราะเกิดในตระกูลสูงก็หาไม่จะกล่าวว่าบุคคลเป็นผู้ประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันณะอันยิ่งก็หาไม่จะกล่าวว่า เขาเป็นผู้เลวทรามเพราะความเป็นผู้มีวรนนะอันยิ่งก็หาไม่เรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้ประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่แต่จะกล่าวว่าเขาเป็นผู้เลวทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่พราหมณ์เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในตระกูลสูงก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผู้เท็จผู้ส่อเสียด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 เว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเขาเป็นผู้เลวทามเพราะเกิดในตระกูลสูงพราหมณ์เพราะบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีวรณะสูงก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จ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 เว้นขาจากการพูดสอเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพอเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเขาเป็นผู้เลวทรามเพราะความเป็นผู้มีวั น, นะสูงบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีทรัพสมบัติมากก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม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 แต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าบุคคลไม่ต้องบำเรอสิ่งทั้งปวงเพราะว่าเมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่ศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาย่อมเจริญเพราะเหตุแห่งการบำเรอเราจึงกล่าวว่าบุคคลต้องบำเรอสิ่งนั้น